แต่พุทธพจน์ก็มีชัดเจนนะเอารูปเป็นตัวตั้งนี้รูปนี้ความเกิดแห่งรูปนี้ความดับไปแห่งรูปแล้วก็รูปตัวนี้เป็นอารมณ์เป็นวัตถุของเวทนานี้เวทนานี้ความเกิดแห่งเวทนานี้ความดับไปแห่งเวทนานี้สัญญาสัญญาที่สัมพยุติกับเวทนานี้สัญญานี้ความเกิดขึ้นแห่งสัญญานี้ความดับไปแห่งสัญญา ดังนี้สังขารดังนี้ความเกิดแห่งสังขารดังนี้ความดับไปแห่งสังขารดังนี้วิญญาณดังนี้ความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณดังนี้ความดับไปแห่งวิญญาณแล้วเกิดเกิดโดยปัจจัยอย่างไรเกิดโดยขณะอย่างไรดับโดยปัจจัยอย่างไรดับโดยขณะอย่างไรอันนี้ต้องมาศึกษาทําความเข้าใจในชีวิตเนี่ยนะดูจากตัวหนังสือคงเข้าใจยากนะก็เอามาศึกษาในชีวิตที่เป็นจริงนะ เพความรู้ตัวนี้แหละที่เรียกว่าวิปัสสนากรรมสกตาสัมมาทิฏฐิจะต้องทําความเข้าใจให้ดีๆทีนี้ถ้ารู้เกิดดับโดยปัจจัยกับโดยขณะสิ่งที่ลืมไม่ได้คือโดยสัจจะโดยสัจจะเพราะว่าการรู้เกิดโดยปัจจัยนั่นแหละเรียกว่ารู้สมุทัยสัจจะถ้ารู้ความดับโดยปัจจัยนั่นแหละคือมีความรู้ในนิโรธสัจจะเนี่ยนะตัวขันห้านั่นแหละคือตัวทุกขสัจอย่างที่เราสวดเมื่อกี้ใช่ไหมว่าโดยย่อ อุปาทานขันห้าคือตัวทุกขอันนั้นคือทุกขสัตย์ซึ่งมีลักษณะเกิดแล้วก็มีลักษณะเสื่อมแต่ที่เกิดเกิดเพราะสมุทัยเป็นตัวทำให้เกิดที่เสื่อมก็เพราะดับปัจจัยด้วยนิโรธสำรอกตัณหาไม่มีส่วนเหลือดับโดยไม่มีส่วนเหลืออันนั้นแหละเป็นความดับดับทุกเนี่ยนะตัวดับดับดับขันได้ ตัวสมุทรเอ่ตัวขันเป็นตัวทุกปัจจัยที่ทําให้เกิดเรียกว่าสมุทรไทยตัวที่ดับเป็นนิโรธทีนี้ข้อปฏิบัติที่จะทําให้ถึงทุกขานิโรธอันนั้นแหละเป็นมักสัตจะมักสัตจะมันจะต้องไม่ลุ่มหลงจะต้องไม่เข้าใจผิดว่ารูปเป็นอย่างนี้เหตุเกิดของรูปเป็นอย่างนี้ความดับเป็นอย่างนี้ต้องปฏิบัติอย่างนี้นะจึงจะดับอันนี้ทําความเข้าใจตัวสี่คำนี้ให้แม่นแมน่นยำถ้าไม่งั้นนะสับสับอะไรนะ สเปสสปาเนี่ยนะแล้วก็ถ้ายิ่งสเปสสปายิ่งพูดมากยิ่งเหนื่อยเนี่นยไงยิ่งออกความเห็นมากยิ่งน่ารำคาญไม่รู้ว่าจะไปทางไหนก็ไม่เข้าใจจึงจึงบอกว่าจึงพยายามจะให้ทบทวนนะสี่คำาทุกเป็นอย่างนี้คือขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารเป็นอย่างนี้รูปมีองค์ประกอบอย่างนี้เกิดจากสมุทฐานเหล่านี้เวทนาเป็นอย่างนี้สัญญาสัญญาสงขารบิญญาณแต่ละอย่างแต่ละอย่างเป็นอย่างนี้ ขันห้าเหล่านี้เกิดอย่างนี้เพราะปัจจัยตัวนี้ทําให้ขันห้าเกิดปัจจัยเหล่านั้นเหล่านั้นทําให้เกิดขันห้าอดีตก็เกิดจากปัจจัยอนาคตก็จะเกิดจากปัจจัยปัจจุบันก็กําลังเกิดจากปัจจัยถ้าดับปัจจัยได้ขันห้าก็ดับอยู่ที่การดับปัจจัยแล้วตัวที่ดับปัจจัยจริงๆถ้าไม่เห็นนิพพานดับไม่ได้ต้องมีนิพพานเป็นอารมณ์แล้วนู่นแหละจึงจะดับปัจจัยได้ เพราะอะไรเพราะตัวปัจจัยมันเป็นตัวความหิวความกระหายถ้าไม่อิ่มยังไงก็ดับความหิวไม่ได้ตัวที่จะทําให้หายหิวจริงๆคือพระนิพานสภาวะของพระนิพานทําให้หายหิวรู้อย่างไรเ ห, เห็นอย่างไรจริงจัดแทงตลอดพระนิพานอันนั้นแหละคือมกษัตริย์จะต้องจําแนกสัจจะสี่ประการนี้ให้ดีๆเพราะว่าความรู้ระดับที่เรากําลังศึกษาเนี่เป็นกลุ่มสัจจานุโล ม, มิกฉายนเป็นความรู้ที่เป็นไปเพื่ออนุโลมต่อการเห็น อริยสัจเห็นอริยสัจถ้าไม่อนุโลมต่อการเห็นอริยสัจบอกเลยว่าปฏิบัติยังไงก็ปฏิบัติผิดเชื่อแน่นอนเพราะสิ่งที่ที่ทําให้พ้นทุกมีสิ่งเดียวคืออริยสัจโดยเฉพาะมรรคสัจกับนิโรสัจจะเป็นเป็นตัวที่ที่ดักทุกอย่างแท้จริงถ้าเป็นอย่างอื่นไม่ใช่ถ้าอย่างอื่นเป็นสัจจะเหมือนกันสัจจะนายรู้ไหมทิฏฐิสัจจะจริงโดยทิฏฐิ จริงโดยมิจฉาทิฐิแต่ไม่ใช่นิโรสัจจะไม่ใช่มัคสัจจะเนี่ยนะซึ่งการจำแนกแยกแยะตรงนี้เนี่ยนะอามาขอย้ำอีกครั้งว่าสัมมาทิฐิข้อแรกคืออะไรกรมมัสกตาสัมมาทิธฐิทางที่รอดพ้นจากวัตะคือมักมีองแปดที่เห็นพระนิพพานเท่านั้นถ้าไม่เห็นตามนั้นก็โตไัยกับโตไัยศาสดาเป็นอะไรนะจำสียษนาสูตรจุลสีรนาสูตรที่เชตวันว่าไงนะ ถ้าศาสดาเป็นนายนิรยาบาลสาวกเป็นสัตว์นรกนายนิรยาบาลจะสงสารไหมเออนี่ลูกศิษย์ชันนะสงสารไหมไม่สงสารเพราะฉะนั้นหวังว่าไม่พบกันที่นั่นแต่นี่ขอมาไม่ใช่ศาสดาพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาถ้าไม่เห็นพระพุทธเจ้านะั่นอะเรโอ้มาด้วยกันเลยอย่างเงี้ยยุ่งมากเลยนะจํากันได้ตีกระฟองไล่ตีกันเนี่ยนะคุณก็มาผมก็มาอย่างเงี้ยลําบากมากพมันถ้าไม่เห็นอริยสัจเนี่ยยังไงก็ เียะได้พบกันที่นั่นเลยเนี่ยนะไม่ไปดีที่สุดนะแต่เชื่อไหมถ้าไม่มีนิพพานเป็นอารมณ์ไม่มีอะไรรับรองหรอกว่าพ้นแล้วจริงอยู่ว่ามีสรณะนะอย่างเมื่อกี้ย้อนหม่ท ว, วนอีกครั้งว่าชาติหน้าไม่น่ากลัวสับเท่าไหรหรอกเพราะชาตินี้เรามีสรรนะเพราะเรามีสรรนะชาติหน้าเาก็ต้องไปดีถ้าไม่ลืมพระพุทธเจ้าก่อนตายนะยังไงก็ไปดี แต่ถ้าชาติหน้าต่อไปแล้วไม่มีพระพุทธศาสนาแล้วจะทำยังไงกันมันช่วงหลังมาก็รีบไหว้พระธาตุก่อนก่อนที่พระธาตุจะหมดไปจากโลกนะเรบรียบเรีย บ, บ, บไหว้ที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะว่าพระธาตุพร ะ, พระาศระสาสนาพระพระธาตุหมดไปจากโลกถ้าพระธาตุยังไม่อยู่นะอ ย, อย่าคิดเลยความรู้อริยสัจจะอยู่หมดไปนานแล้วเห็นไห เพราะที่ใดไม่มีพระาธาตุที่นั่นนะไม่มีอารยศัตร์แน่นอนไม่มีการศึกษาการเรียนอารยศัตร์อันนี้ถือเป็นเรื่องปกติเพราะที่ใดไม่มีการพุทธบูชาที่นั่นจะไม่บูชาพระธรรม ที่ใดไม่บูชาพระพุทธที่นั่นจะไม่บูชาพระธรรมที่ใดไม่บูชาพระธรรมที่นั่นจะไม่บูชาการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่บูชาบุคคลที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้านี่ถือว่าเป็นพรเเป็นสารณะของโลกสามพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่เลิศถ้าไม่มีการทำพุทธบูชาจะไม่มีการบูชาการเห็นอริยสัจถ้าไม่มีการบูชาการเห็นอริยสัจจะไม่มีบูชาการ ปฏิบัติโดยประการทั้งปวงแต่ข้อปฏิบัติอันนี้ขึ้นตรงที่สัมมาทิฏฐิ อ, อะไรเนอเป็นเครื่องวัดว่าฉันเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิ อ, อะไรเป็นเครื่องวัดดีว่าเราเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิเราก็สิทธิ์มีอาจาร์หนึ่งบ้างใช่ไหม อาจารย์เราคือใครก็พระพุทธเจ้าไงก็เมื่อเรามีพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าว่าอย่างไงก็ว่าอย่างนั้นไปก่อนขอมาพยายามพูดอยู่ตลอดนะบอกว่าชาตินี้ขอเอาพระพุทธเจ้าไปก่อนนะชาติหน้าค่อยว่าอีกทีถ้าเราไม่อะไรนะถ้านับถือพระพุทธเจ้าชาตินี้ไม่ประสบความสําเร็จยังไงก็ต้องไปนับถือคนอื่นนะนะเมอวันก่อนไปดูข้อความในคาถาที่พระเถระกล่าวที่ตอนน้ํามันเดือดพล่านว่า สัตว์โลกที่เกิดมาในโลกเนี่ยบางคราวก็เป็นพ่อบางคราวก็เป็นลูกบางคราวก็เป็นแม่บางคราวก็เป็นคือคือมันวนๆสั บ, บๆกันไปอย่างนี้แหละบางคราวก็เป็นศิษย์บางคราวก็เป็นอาจารย์อะไรกันก็วนๆอยู่อย่างนี้แหละมันถ้าเราไม่เห็นอริยสัจยังไงเราก็ต้องเลิกนับถือพระพุทธเจ้าแน่แต่ถ้าเห็นอริยสัจนชาติไหนก็จะนับถือพระพุทธเจ้าตลอดไปจนกว่าจะปรินีพานแต่ถ้าไม่เห็นอริยสัจนะโอ้ยยังมีศาสดาาจารย์อีกหลายคนนักที่เราต้องไปนับถือ เพราะฉะนั้นถ้าไม่เห็นอริยสัตว์ลำบากแน่มันอยากจะทบทวนว่าสิ่งที่เราเจริญเนี่ยใกล้ต่อการเห็นอริยสัตว์ได้ไหมอะไรเป็นสัต์จะอะไรแล้วก็สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่อึมครึมไม่ใช่เป็นสิ่งที่มัวมัวถ้ามั ว, ม, วมัวเอยยังยังอึมครึมอยู่นะเรื่องนี้ยังไม่แน่ใจเหมือนกันมันเป็นอะไรให้รู้เถอะว่าเกือบพลาดแล้วนะหรือไม่แน่ดีไม่ดีก็อาจจะพลาดไปแล้วก็ได้เพราะสิ่งนี้เป็นความ เข้าใจเป็นเรื่องของทิฐิจริงๆทิธฐิมีสองคือมิจฉาทิฐิกับสัมมาทิธฐิทวนอีกครั้งหนึ่งเอาอะไรเป็นเครื่องรับรองว่าเราเห็นถูกแต่ไม่รู้ละเราเห็นถูกหรือเห็นผิดรับผิดชอบด้วยตัวเองใช่ไหมเอาเราเป็นผู้มีเกิดเป็นธรรมดาเราก็ต้องเกิดเองไงใครใช้คนอื่นเกิดแทนได้ไหมไม่ได้ใช้คนอื่นชารามรณะแทนได้ไหมสั่งฆ่าได้แต่ว่าคนอื่นชารามรณะแทน ไม่ได้เพราะวัตถะทั้งหลายเป็นอย่างนี้แหละเมื่อเป็นอย่างนี้เข้าอริยสัจคืออะไรอริยสัจคืออะไรตรงนั้นเนี่ยพยายามจะขวนขวายให้มากๆเพราะนั่นจะได้รู้จักพระพุทธเจ้าสัทีถ้าไม่เห็นอริยสัจอย่างไรก็ไม่รู้จักพระพุทธเจ้าผู้เป็นพระอริยะถ้าไม่รู้จักอริยสัจยังไงก็ไม่รู้ความปฏิบัติดีของพระสงฆ์ถ้าไม่รู้อริยสัจอย่างไรเสียเราก็ไม่รู้จักพระพุทธศาสนาเพราะการเจริญมิปัสนานั้นนองนะ ทิฏฐิวิสุทธิจึงเป็นการกําหนดทุกขสัตว์กังขาวิตรณวิสุทธิจึงเป็นการกําหนดสมุทัยสัตว์มัคคามัคคายานทัศนวิสุทธิเนี่ยเป็นการรู้นิโรสัรจจะโดยโลกิ ย, ยานคืออย่างถึงอย่างถึงถ้าเหตุดับผลต้องดับด้วยอานาจปัญญาเหตุดับผลต้องดับเหตุดับผลต้องดับแล้วรู้ด้วยว่าคิดอย่างไรเนี่ยจึงจะดับเหตุได้ ก็ก็อย่างที่อาจจะมีผู้ถามพระพุทธเจ้าสมัยพุทธกาลเนี่ยนะเขาถามว่าข้าแต่พระ อ, องค์ผู้เจริญรู้อย่างไรเห็นอย่างไรตัณหาจริงจากสิ้นไปรู้เห็นอย่างไรตัณหาจริงจากสิ้นไป น, นะสมัยก่อนเนี่ยเขาถามชัดเจนมากเพราะว่าถ้าสิ้นตัณหาหมายถึงว่าสิ้นอะไรสิ้นอุ ป, ปาทาน ถ้าสิ้นอุปาทานก็ถือว่าเป็นสิ้นภพถ้าสิ้นภพก็ถือว่าสิ้นชาติถ้าสิ้นชาติสิ้นชรามรณาโศกกะปริเทวะทุกขโทมนัตแล็อปายาตรู้อย่างไรเห็นอย่างไรจริงจากสิ้นตัณหาเดี๋ยวข้างหน้าต่อไปจะถามว่าคุณจะสิ้นตัณหาอดีตหรือจะสิ้นตัณหาอนาคตหรือจะสิ้นตัณหาปัจจุบันคือถ้าเราเข้าใจคําสอนไม่ชัดนะคำถามประเภทนี้สับสนหมดเลยเริ่มเริ่มชักตอนแรกนะดูเหมือนเข้าใจดีเอาไปเอามาเอชักงงอีกล้ เออมันต้องสิ้นตันหาสิจึงจะสิ้นทุกข์ถามว่ามันสิ้นตันหาอดีตอนาคตหรือปัจจุบันสิ้นตันหาปัจจุบันงั้นงั้นอ๋อเวลาเวลามองปุ๊บไม่ให้เกิดตันหาตันหาอดีตอนาคตหรือปัจจุบันอเนี่ยอย่างนี้แหละมันน่าหนักใจอย่างนี้แหละตันหาอนุสใสสิมันเอะไรอนุสัยมันแดงอยู่ตรงไหนอะ ถ้ารู้ที่ดองมันจะเอาระเบิดไประเบิดสักตูมหนึ่งนะจะได้หมดหมดกันสักทีหนึ่งนะนะคือเขาบอกว่าเขาเขาจึงบอกว่าวัตถุที่ทําให้เกิดตัณหาคืออะไรตัณหาเมื่อจะเกิดเกิดที่ไหนเมื่อตั้งตั้งเมื่อจะตั้งอยู่ตั้งอยู่ที่ไหนถ้าจะดับดับที่ไหนอนะโอ้ยถ้าเรียนสติปัฏฐานมาสัจจะ บ, บัพพะนี่มายากเลยนะคุณรัตนาเนาะอะไรมากเลตัณหาเมื่อจะเกิดเกิดที่ไหน จักขู่เป็นที่รักเป็นที่เจริญใจในโลกตันหาเมื่อจะเกิดก็เกิดที่จักขู่พอนิโรธสัจจะบอกว่าที่ใดเป็นที่รักที่เจริญใจในโลกถ้าจะดับตันหาต้องดับที่นั่นจักขู่เป็นที่รักที่เจริญใจในโลกถ้าจะดับตันหาก็ต้องดับที่จักขู่แล้วรู้เห็นยังไงจึงจะเลิกรักจักขู่เสียทีนะคิดยังไงก็คิดว่าจักขู่ไม่ไม่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเราก็ก็คือเห็นว่าเห็นจักขูไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็น อนาตาจริงหรือโดยสูตรนี้ใช่แหละแต่ว่าไม่ยอมเห็นแบบนั้นสักทีหนึ่งนะจักขคุของเราเลองเอาใครเอามือมาปาดหน้าดิปบบจักรคุนิดหนึ่งนะออ้ยมาทํานี้ได้ยังไงนะมาทํากับเราอย่างนี้ได้ยังไงมันก็สรุปว่าจักขคุเนี่ยเป็นที่อาศัยเกิดแห่งตันหาสรุปว่าจักขคุเนี่ยนะมันเป็นอะไรนะ มันเป็นเครื่องมือของตันหาถ้าจะดับตันหาต้องทำลายจักขคู่แล้วรู้เห็นยังไงจึงจะทำลายจักขคูเพราะข้อปฏิบัติไม่มีหรอกทำใ ห, ทำให้ทำให้ตาบอดเนี่ยไม่มีมีแต่ว่ารู้เห็นยังไงจึงจะเบื่อตันเบื่อจักขคู่เต็มทีเลยนะนึกถึงคำว่าตานี่เอียนเลยอย่างเงี้ย น, นึกถึงตาแล้วเอียนเลยนะทาไงดีก็ต้องรู้ความเลวร้ายของตาให้มากที่สุดเท่าที่กระกว่าอะไรนะตามหาความเลวของตาที่สุดเท่าที่จะเห็นมันเลวยังไงว้าง ตานีเร็วยังไงเพราะมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นตัวฝีเป็นลูกศอนเป็นความลําบากเป็นตัวเจ็บไข้เป็นตัวเฟนฝ่ายอื่นเป็นของไม่ใช่ตนเป็นของว่างเป็นของเปล่าเป็นของศูนย์เป็นของร้อนเป็นต้นเนี่ยนะถ้าคิดอย่างนี้บ่อยๆนี่สงสัยจะเอียนตาอยู่เหมือนกันนะแต่ปัญหาว่าวันหนึ่งมันคิดแค่ครั้งเดียวดี่ดิมีหน้าอะไรไม่พอที่จะดับปัญหาได้หรอกเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเข้าใจว่าสมมุติว่าเอายกมาเป็นชัดๆเลยนะว่าจักรคู่เป็นอะไรสัจจะ รูปสัตว์ชันทราค่าในสีอดีตเนี่ยนะสมมติคิดง่ายๆว่าตาที่เราได้มาแหมลืมตาดูหน้าสลอนกันอย่างนี้นะก็เพราะอะไรเพราะตาตัวนี้เกิดจากอะไรแสดงว่าเมื่อก่อนเราชอบดูมากไม่เบื่อในการดูไม่อิ่มในการดูเพรา ะ, ะตันหาในรูปในอดีตตันหาตัวนั้นเป็นแม่ทําให้มีตาถ้ายังพอใจในการเห็นอย่างนี้อยู่ ยังไงก็ต้องมีตาอีกต่อไปทำไมเพราะเหตุนี้มีผลนั้นจึงมีพราปัจจุบันเนี่ยเหตุในอดีตมีผลนี้จึงมีบัณถ้ายินดีในการเห็นยินดีที่จะเจริญรูปปตัตนหายินดีที่จะให้ตันหาไหลไปในจากครูทวารก็เท่ากับยินดีที่จะมีตาต่อไปในอนาคตตาเป็นจากทุกขสัตว์ตันหาในการก่อนเป็นสมุทัยสัตว์ถ้าตันหาที่ชอบในปัจจุบันเป็นสมุทัยสัตว์ของตาต่อไปใน อนาคตทีนี้รู้เห็นยังไงจึงจะสิ้นตัญหาที่ที่ที่อาศัยจากขุทวานนี้เกิดขึ้นถ้ามาถามว่าตัญหามันเกิดตลอดเวลาใช่ไหมใช่ไหมไม่ใช่ถ้าอโยนิโสมนสิการเกิดตัญหาเกิดถ้าโยนิโสมนสิการเกิดตัญหาไม่เกิดโยนิโสมนสิการเป็นต้นเป็นเบื้องต้นที่จะทําให้ดับตัญหาได้เพราะฉะข้อปฏิบัติพิจารณาจนกว่าอริยมรรคจะเกิด ถ้าเรียมะเกิดเนี่ยถือว่าคั่วสาเร็จแล้วเพราะตันหาท่านบอกว่าตันหาสินิเอตาเนี่ยนะเป็นเหมือนต้นไม้ตันหาเป็นเหมือนยางเหนียวถ้าคั่วต้นไม้ซะเต็มที่ยางเหนียวมันก็มันก็ไม่เกิดเพราะสิ่งเหล่านี้จะได้เลิกเป็นวัตถุแห่งตันหาพระไตรปิฎกท่านใช้คําว่าตาลวัตถุกตาทําให้เป็นเหมือนตามยอดด้วนซะทาให้ตาเนี่ยเหมือนตามยอดด้วนไร้เยื่อใหญ่อย่างตาของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นตา เป็นสายตาของผู้ไร้เยื่อใหญ่คือตันหาโดยประการทั้งปวงหูของพระพุทธเจ้าก็เป็นหูที่ไร้เยื่อใหญ่คือตันหาของเจ้าของหูนะเจ้าของตานะเจ้าของเจ้าของไม่ใช่คนอื่นนะคนอื่นก็ไปละห้อยหาอยู่นั่นแหละแต่แต่ว่าตัวตัวพระองค์องเองเนี่ยพระองค์จะไม่อาลัยอาวรณ์ในตาของพระองค์เลยเพราะพระองค์สิ้นตันหาในตาแล้วพระองค์เนี่ยสิ้นตันหาในหูแล้วสิ้นตันหาในจมูกในลิ้นในกายและในจิตใจโดยประการทั้งปวง พระองค์รู้ทุกอย่างแต่พระองค์ไม่มีอะไรไม่มีเยื่อใหยไม่มีฉันทราคาในตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่มีอะไรอาวุ์ในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเพราะรู้อยู่แล้วว่าถ้าดับฉันทราคาในสิ่งเหล่านี้ทุกต้องดับตอนนี้เราก็รู้แล้วใช่ไหมถ้าตัดตันหาในขันห้าได้ตัดตันหาในตาหูจมูกลิ้นกายใจได้ดับทุกได้แน่นะ รน้ามั่นใจแค่ไหนว่าเออถ้าสิ้นตันหาดับทุกทั้งมวลได้แน่ถ้าสิ้นตันหาในสีนะต้องดับตาได้ถ้าสิ้นตันหาในเสียงดับหูได้สิ้นตันหาในกลิ่นดับจมูกได้ถ้าสิ้นตันหาในรถดับลิ้นได้ถ้าสิ้นตันหาในโพธาภะดับกายได้ถ้าสิ้นตันหาในเรื่องราวทุกเรื่องดับใจได้พร้อมหรือยังแน่ใจนะพร้อมแต่ว่าเออเดี๋ยวขอบัลหลังมาลวกัน ช่วงนี้ยังไม่ได้รีบอะไรนะขอทําธุระอันอื่นก่อนนะสังเกตดูมาเห็นแนละ้วว่าอุย้ยเรื่องอื่นจะเดี๋ยวเรื่องนี้เอาไว้ทีหลังก็ได้คำว่างั้นนะ mm hmm. ก็แปลกนะเขาบอกว่าพระองค์นะพระองค์ก็ตําหนิเหมือนกันนะฮะสิ่งที่รีบกลับช้าเขาบอกสิ่งที่ควรรีบกลับช้าสิ่งที่ควรทําช้ากลับริ่งรีบมีอยู่ง่สูตรเขามีง่ายๆว่าการบริโภคกามเนี่ยนะควรทำช้าช้าก็ได้ไม่ต้องรีบหรอก นะถ้าไม่ดับทุกข์ไม่ได้ยังไงก็ต้องวนๆอยู่แถวนั้นอยู่แล้วละ่ะวนๆแถวรูปเสียงกลิ่นรสโพตาภาทั้งหลายนั้นการบริโภคการชื่นชมวัตถุกรรมทั้งหลายช้าๆก็ได้แต่การบำเพ็ญไตรสิกขาควรเร่งรีบเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะสิกขาสามของพระพุทธเจ้ามีชั่วคราวมีชั่วคราวก็มีชั่วคราวชีวิตของเราก็ชั่วคราวด้วยใช่ไหม ชี้เราก็ชั่วคราวคําสอนก็มีชั่วคราวทุกเรื่องมีชั่วคราวหมดเลยอันนี้แหละควรรีบรีบแบบอะไรก็บอกว่าดูกวามพิสูจนทั้งหลายถ้าไฟไม่บนศีรษะของเธอเนะี่ยเธอควรทํำยังไงพิสูจบอกโอ้ต้องรีบพระเจ้าค่ะรังรีบต้องกวนควายตั้งสติให้มันรีบดับไฟบนศีรษะพระพุทธเจ้าบอกไอย่างงั้นช้าก็ได้อย่าไปรีบอะไรเลยถ้าเธอควรจะรีบอย่างนั้นนะั่นคนรีบพพิจารณาเพื่อให้เห็น อริยสัจวันนี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขานิโรดนี้ทุกขานิโรธถ้าขา ม, มินีปฏิปทามันความรู้ในระดับอุทยพ ย, ายาัญญาเริ่มรู้แล้วจักขู่จักขู่คือทุกขสัจใช่ไหมจักขู่สมุทัยตันหาในการก่อนเป็นสมุทัยที่ทําให้เกิดจักขู่ถ้าดับรูปปตัตนหาได้จักขู่เป็นอันดับแน่ น, นะทวนทวนใหม่นะจักขู่ จักขูสมุทัยจักขูนิโรธจักขูนิโรธาคามินีปฏิปทาโสตาคานะชิวหากายและมะโนก็เหมือนกันจักขูเหตุให้เกิดจักขูนี้จักขูนี้ความเกิดแห่งจักขูนี้ความดับแห่งจักขูนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับจักขูใช่ไหมนี้โสตะนี้ความเกิดแห่งโสตะนี้ความดับแห่งโสตะนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับโสตะนี้คานะ นี้ความเกิดแห่งคาดนะนี้ความดับคานะนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับคานะนี้ชิวหานี้ความเกิดแห่งชิวหานี้ความดับแห่งชิวหานี้ <in> s <voice> <S ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับชิวหานี้กายะนี้ความเกิดแห่งกายะหรือเหตุให้เกิดกายะนี้ความดับกายะนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับกายะนี้มโน นีเหตุให้เกิดมโนนี้ความดับมโนนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับมโ น, นนะถ้ากําหนดแยกแยกส่วนนี้ได้ก็ถือว่ามีความเข้าใจในอุทยะวยะยานอุทยะบวกวยะเป็นอุทยัพยะเนี่ยนะอุทยะแปลว่าอุทัยอุทัยนี่มันเกิดขึ้นใช่ ไ, ไวยะก็อาสดงคตเนี่ยนะรู้ความเกิดและความ อัสดงคดแห่งกองทุกนนะว่าทุกมันเกิดได้ยังไงแล้วความอัสดงดับไปแห่งทุกเป็นอย่างไรเนี่ยนะก็คิดง่ายๆว่าการเสนอตัวปรากฏตัวในภพเนี่ยเป็นทุกเนี่ยนะถ้าไม่เสนอตัวปรากฏตัวในภพตั้งมวลเป็นความดับทุกเนี่ยนะแต่ทีนี้พวกรับที่สัต ส, ส, สตะติถิมันบอกว่าสัสตตติถิมันบอกว่าไงเอ้งั้นก็อดเที่ยวสิก็ไม่เป็นได้ก็ เอาตาไปต่อตาต่อไปกันแล้วกันเอาหูไปต่อหูเอาจมูกไปต่อจมูกใช่ไหมเอาวัฏตะไปต่อวัฏตะก็คือไปเพิ่มอย่างในทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจเพื่อจะสร้างวัฏตะต่อไปกันแล้วกันไม่เป็นไรนะถ้าอยู่ในวัฏตาเดี๋ยวจะถูกเคี่ยนจนเข็ดนั่นแหละแต่ว่าแต่ก็มีนะบางสูตรบอกแผ่นดินจะถล่มฟ้าจะทลายขนาดไหนแต่ว่าตันหาก็ไม่เคยเหือดแห้งตามเดิม จำข้อความในสุริยุปมาสูตร อ, อะไรนะพระสูตรที่พระองค์อุปมาว่าด้วยแผ่นดินถลมฟ้าทลายเป็นต้นเนี่ยนะขนาดนั้นอ่ะแผ่นดินทลายน้ําทะเลแห้งพอมีได้แต่ว่าตันหาของสัตว์ทั้งหลายที่ไม่เห็นอริยสัตว์ที่จะเหือดแห้งจะสลายไปไม่มีเพราะฉะนั้นโลกนี้จึงไม่ไร้ความหวังไลทุกแห่งเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งความสิ้นหวังมีไหมมีไห ม, มที่ใดที่ที่มีสิ่งใดเป็นอารมณ์แล้วเลิกหวังเลยมีไหมนอกจากพระนิพานไม่มี เพราะอารมณ์ทั้งมวล น, นี้เป็นที่ตั้งแห่งความหวังนะถ้าใครพิจารณาว่าขันห้าเป็นสังกิเลสิกะธรรมโตจะไม่แปลกใจว่าขันห้าทุกขันเป็นที่ตั้งแห่งความหวังเป็นที่ตั้งแห่งความหวังเช่นถ้าหนาวก็หวังว่าจะอบอุ่นใช่ไหมถ้าร้อนก็หวังว่าจะเย็นถ้าหิวก็หวังว่าจะอิ่มถ้าปวดก็หวังว่าจะหายก็ทุกอย่างเป็นที่ตั้งแห่งความหวังหมด เมื่อทุกอย่างเป็นที่ตั้งแห่งความหวังเนี่ยจะต้องพิจารณาจนกว่าจะลีกออกจากวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความหวังได้ถ้าลีกออกจากวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความหวังได้จึงจึงพ้นจากทุกได้ <c oughs> ทีนี้การรู้เหตุเกิดความดับเนี่ยเท่ากับเป็นการรู้ปฏิจจสมุปบาทใช่ไหมเหตุเกิดเหตุเกิดจริงเนี่ยนะทุกขะสมุทัยนะถ้าขยายจริงต้องขยายเป็นปฏิจจสมุปบาทได้อวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขาร อันนันถ้าถ้าเรามาคิดตามสูตรในในอุทยพยัญชนะไหมว่าอวิชชาเพราะอวิชชาเกิด ร, รูปจึงเกิดเพราะตัณหาเกิดรูปจึงเกิดเพออาาราะกรรมเกิดรูปจึงเกิดเพราะอาหารเกิดรูปจึงเกิดและนิพพัติลักษณะของรูปแต่ถ้าลากยาวจะเห็นว่าอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัย จ, จึงมีนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีภาษาภาษะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยจึงมี ตันหาตันหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติชาติเป็นปัจจัยจึงมีชารามรณะโสกกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งมวลมีได้ด้วยประการอย่างนี้แหละอันนี้แหละเรียกว่าเรียกว่าเรียกว่าสมุทยะวาระสมุทยะวาระวาระว่าด้วยการเกิดขึ้นแห่งวัตถุ อิมัสะเกวรลัสะทุกขขัณฑะสะสมุทยโหติอิมัสะแปลว่าดังนี้เกวรลัสะแปลว่าล้วนล้วนทุกขขันฑะสะแปลว่ากองทุกล้วนล้วนที่ไม่มีสัตว์เจือปนในนั้นเลยอิมัสะเกวรลัสะทุกขขันฑะสะสมุทยโหติเหตุที่ทําให้กองทุกล้วนล้น่ะมันเกิดอย่างนี้แหลก็อวิชชาเกิดนั่นแหละรูปจึงเกิดหรืออวิชชาเกิดนั่นแหละขันธ์ห้าจึงเกิดตัณหาเกิดนั่นแหละขันธ์ห้าจึงเกิด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 ความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลก็มีด้วยอาการอย่างนี้หรือถ้าสํารอกหรือทหารอาวิชาโดยการทําแสงสว่างให้เกิดขึ้นทําวิชาให้เกิดขึ้นเมื่อวิชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วทําลายอาวิชาโดยไม่มีส่วนเหลือถ้ า, อาวิชาดับสังขารก็ดับถ้าสังขารดับวิญญาณก็ดับเป็นต้นเนี่ยนะความดับแห่งวัตถทุกข์ก็มีด้วยประการอย่างนี้อิมาสากีวัลส ะ, สะทุกขขันธะสานิโรโทโหติ นะอิมาสะเกวราสสะทุกขั้นทศะความความดับแห่งกองทุกทั้งมวลมีได้ด้วยประการอย่างนี้มีได้ด้วยอาการอย่างนี้และพันท่าหากว่าเข้าใจเรื่องเกิดดับจริงจะต้องเข้าใจสมุทยะทยาวาระปฏิจจสมุบาตหรือนิโรธวาระปฏิจจสมุบาตเนีนะพันพื้นฐานรู้เกิดดับนั้นจริงต้องเข้าใจปฏิจจสมุบาตให้ดีๆ ฟังอย่างนี้ไม่ค่อยยากนะอวิชชาเป็นปัจจัยแก่สังขารเี่มเป็นปัจจัยยังไงคะเนี้ยเริ่มเริ่มอะไรนะเริ่มชักไม่ค่อยแฮปปี้เลยนะนึกยังไงก็นึกไม่ออกอตอนฟังเว้ยสบายมากพานทีนี้ถ้ารู้เกิดดับเนี่ยนะต้องละกิเลสได้นะใช่ไหมรู้เกิดรู้เกิดโดยปัจจัยละอุเฉท ท, ทิฐิรู้ดับรู้ดับโดยปัจจัยก็ละ สัสตตทิฏฐิรู้เกิดดับโดยขณะก็ละสัสตตทิฏฐิได้ถ้ารู้เกิดรู้ดับโดยปัจจใจละอัตตทิฏฐิรู้เกิดแล้วก็รู้ดับโดยปัจจใจละอกิริยทิฏฐิได้อันนี้ใจความโดยสรุปนะทีนี้เอรู้เกิดดับมันเกี่ยวอะไรกับ น, นิจังทุกขังอนัตตาเกี่ยวยังไงในหน้าหนึ่ง้หกสิบเจ็ดกล่าวว่ารู้เกิดขึ้นโดยปัจใจเนี่ยเชื่อว่ารู้อนัตตลักษณะรู้ความเป็นอนัตตา มันคําว่าอนาัตตานี่หมายถึงว่ารู้ความเกิดและความดับโดยปัจจัยเช่นกองทุกข์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะตัวปัจจัยใช่ไหมอวิชชาตันหากรรมอาหารภาษานามรูปตัวนี้แหละเป็นตัวที่ทําให้ตัวขันห้าเกิดขึ้นการที่รู้ว่าขันห้าเกิดจากปัจจัยแบบนี้แบบนี้เรียกว่าเห็นอนัตตลักษณะเพรลักษณะความเป็นอนัตตาเนี่ยนะไม่ใช่อัตตา ในสูตรหนึ่งมีภิกษุถามพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญใครนอแลชรามรณะใครน้อแลชรามรณะใครแก่ใครตายพระองค์ตอบว่าไงพระองค์บอกว่าข้าเธอตั้งคําถามไม่ถูกอ่นะชรามรณะมีอยู่สภาวะแห่งชรามรณะมีอยู่แต่ว่าผู้ที่เป็นผู้ที่ชราและมรณะไม่มีอยู่จริงอ่านะ หรือใครสร้างชราและมรณะเ น, นี่ยนะคำถามมันไม่ถูกไหมก็ต้องบอกว่าชรามรณะมีอะไรหนอเป็นปัจจัย น, นั่นะอาการที่รู้ว่าชรามรณะมีชาติเป็นปัจจัยชาติมีภพเป็นปัจจัยภพมีอุปาทานเป็นปัจจัยอุปาทานมีตัณหาเป็นปัจจัยตัณหามีเวทนาเป็นปัจจัยเวทนามีภาษเภ า, ษนะาษเป็นปัจจัยภาษามีณสลายยตนะเป็นปัจจัยสลายยตนะมีนามรูปเป็นปัจจัยนามรูปมี วิญญาณเป็นปัจจัยวิญญาณมีสังขารเป็นปัจจัยสังขารมีวิชาเป็นปัจจัยความรู้ในลักษณะนี้เรียกว่ารู้อะไรรู้ลักษณะความเป็นอนัตตาคำว่าอนัตตานี่ไม่ใช่สังขารไม่มีสังขารทั้งหลายมีอยู่แต่ผู้สร้างสังขารไม่มีผู้ที่สวยสังขารก็ไม่มีมีแต่เหตุและมีแต่ผลที่เชื่อมโยงกันไปเนี่ยนะมีแต่เหตุมีแต่ผล ที่เชื่อมโยงกันในลักษณะนี้เรียกว่ารู้ลักษณะความเป็นอนัตตาเพราะอนัตตานั้นกองทุกข์ก็เกิดจากปัจจัยรูปก็เกิดจากปัจจัยเวทนาสัตว์ไม่มีมีแต่รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดจากปัจจัยอันการที่รู้เหตุรู้ปัจจัยรู้ปัจจัยอย่างนี้เรียกว่ารู้ความเป็นอนัตตาถ้าเห็นทั้งเกิดและเสื่อมโดยลักษณะ โดยขณะเนี่ยนะรเรียกว่าเห็นอนิจจาลักษณะใช่ไหมเพราะอย่างรู้สภาวะที่ไม่มีแล้วก็ที่มีแล้วก็ไม่มี น, นะจากไม่มีแล้วมามีขึ้นอย่างอย่างกเราทั้งหลายเนี่ยนะขันห้าของพวกเราทั้งหลายเนี่ยจากไม่มีแล้วมามีขึ้นเมื่อมีแล้วคิดว่าจะมีอีกนานไหมเกินร้อยปีกันเนาะไม่ถึงอนะไม่อีกไม่กี่ปีนะหวังว่าอีกห้าสิบปีนี้จะพบใครบ้างเนาะ พอ ม, ม, ม, มาไปบางแห่งนะมันนึกถึงโอ้นี่อีกสิบปีนี่สงสัยจะเหลือเราอยู่ไม่กี่คนเนี่ยนอยไปหวังอะไรมากไม่ค่อยได้เหตุการณ์ผ่านไปยี่สิบปีเหลือแต่รุ่นรุ่นแรกก็หายไปก็ลักษณะนี้แล้วคิดอะไรมากะพอสังขารที่เที่ยงไม่มีรักเนี่ยนะถ้าใครหวังว่าเที่ยงก็หวังว่าจกได้เห็นดอกอะไรนะได้ก็ดอกมะเดื่อ ถ้าใครที่ตามหาว่าสังขารมันเที่ยงได้นะก็เหมือนตามหาดอกมะเดือ่อใครเคยเห็นดอกมะเดื่อมั้งมันงอกมาแล้วมันตูมๆๆแล้วก็เป็นลูกไปเลยเนี่ยนะไม่มีดอกมะเดื่อไม่มีดอกนะนะใครที่หวังว่าสังขารมันจะเที่ยงก็เหมือนกับหวังว่าดอกเออหวังว่าจะได้เด็ดดอกมะเดื่อนี่มามาอะไรนะมาเน็บที่หูนะเป็นไปไม่ได้เพรนลักษณะของสังขารทั้งหลายที่ ที่มีแล้วก็กลับไม่มีทีนี้ถามว่าในสังขารเนี่ยมีอะไรอยู่ในนั้นบ้างไหมในรูปมีอะไรอยู่ในรูปไหมมีอะไรอยู่ในเวทนาไหมสังขารวิญญาณเนี่ยไม่มีอะไรอยู่ในนั้นอย่างจริงๆเรียกว่ารู้ความว่างเปล่าหม่อมีแต่ว่ามันหม่อเปล่าม่อว่างขันห้ามีอยู่แต่มันว่างจากความเที่ยงความสุขความงามความยั่งยืนและอัตตาเนี่ยนะทุกคลักษณะก็ก็เห็นชัดใช่ไหมว่าขันห้าที่เกิดขึ้นเนี่ย ดีจริงหรือขันผู้ที่มีขันห้าเนี่ยนะถามจริงๆอ่ะขันห้าไหนบ้างที่ดีที่น่าพอใจจริงๆเลยนะที่มีขันห้าที่น่าพอใจที่สุดนะั้นมีขันไหนบ้างที่น่าพอใจจริงๆก็มีแต่ขันที่ถูกความเกิดและความเสื่อมนั่นแหละบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเนะเพราะมีอะไรเพราะขันห้าทุกขันมีความบกพร่องอยู่ในตัวเองไม่มีขันไหนที่สมบูรณ์อย่างแท้จริง มีแต e ok ong, mm. ่ความบกพร่องมีแต e ok ่ความบกพร่องเมื่อสิ่งนั้นนั้นมันพ่องไปแล้วขันทั้งหลายจะไม่แปลเป็นอื่นหรือเพราะฉะนั้นรูปจึงสลายเวทนาก็สลายสัญญาสังขารวิญญาณก็สลายสิ่งที่สลายเป็นสิ่งนั้นมีความบกพร่องอยู่ในตัวเองสิ่งใดที่มีความบกพร่องอยู่ในตัวเองถามว่าสิ่งนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความสุขไหมตัวความสุขอยู่ในนั้นไหมแล้วเป็นที่ตั้งแห่งความสุขแท้จริงหรือ อันถ้าเห็นแต่ความบีบคั้นด้วยความเกิดและความเสื่อมอย่างนี้เีทุกลักษณะก็ปรากฏชัดดีส่วนสภาวะลักษณะก็คือสภาวะของเขาจริงๆก็เป็นสภาวะที่อุปทวยธรรมมิโนอุปทวะก็คือเกิดขึ้นอุปทะเนี่ยอุปทานะวยธรรมมิโนอุปทะอุปทะเนี่ยอุปทะวยเนี่ยวยธรร ม, มิโน อนนีจาวตาสังขาราอุปะทะัทวยธรรมมิโนอุปชิ ต, ตวานิรุชันติเตซังอุปสมมสุสโคเนี่ยนะอันนี้จาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนอะกอุปะทะอุปาทะนี่ยแหละอุปะทะเนี่ยก็มาจากอุปาทะวยธรรมมิโนเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็มีนะธรรมเหล่านี้ที่เกิดขึ้นแล้วก็มีความเสื่อมไปเป็นปกติปกติธรรมดา อุปชิตวานิรุตชันติถ้าเกิดขึ้นอย่างนี้ผู้ใดปฏิบัติจนดับได้นะเตสังอุปสมโมสุขโขนั่นเป็นสุขอย่างยิ่งมันสภาวะของทุกมีความเกิดและความเสื่อมเป็นสภาวะเนี่ยสังขาลักษณะมันเป็นอย่างนี้สภาวะลักษณะของกองทุกก็เป็นอย่างนี้ส่วนลักษณะที่เป็นสังคตะก็คือเป็นของที่มีอายุเพียงเท่านั้นกรรมชรุ่ก็มีอายุเท่านั้นจิตชรุ่ ก็มีอายุเท่านั้นอาหารชรุปก็มีอายุอยู่เท่านั้นแหละอุตุชรุ่ก็มีอาหาอายุอยู่เท่านั้นเวทนาทั้งที่เป็นสุขก็มีอายุอยู่เท่านั้นสัญนะทุกเวทนาก็มีอายุอยู่เท่านั้นอุเบขาเวทนาก็มีอายุอยู่เพียงเท่านั้นนั่นแหละสัญญาสังขารและวิญญาณก็มีอายุอยู่เท่านั้นเท่านั้นนั่นแหละมันไม่ได้ยั่งยืนอะไรหรอกเนี่ยนะแต่พระพิสุบางพวกก็ไปถือว่าวิญญาณนี่เที่ยงรูปไม่เที่ยงหรอกแต่วิญญาณเนี่ยเที่ยง อวิญญาณไหนจากครูวิญญาณเที่ยงไหมไม่เที่ยงอาศัยจากคู่กรูปเกิดจากครูวิญญาณแล้ววิญญาณมันจะเที่ยงมาจากไหนเพราะตาก็ไม่เที่ยงสีก็ไม่เที่ยงจากครูวิญญาณที่โดยมีวัตถุคือตามีอารมณ์คือสีจากครูวิญญาณมันจะเที่ยงมาจากไหนเพราะวิญญาณจึงไม่จีรังยั่งยืนเลยวิญญาณนังอนิจังวิญญาณไม่เที่ยงเนี่ยนะ